ขอเจริญพรและก็เจริญในธรรมแคุณญาติโยมทุกคนทุกท่านโอกาสต่อไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังการบรรยายธรรมะก็เป็นข้อคิดชีวิตประจำวันของพวกเราการที่เราและท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาพอสมควรแล้วคงเยอะ เยอะจุดไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนอะนะอ่าเราให้อยู่ด้วยความสงบแต่อย่าให้หลับนะให้นิ่งได้สงบได้แต่อย่าให้หลับแต่ถ้าหลับแล้วไม่เข้ามันก็ปิดจุกกวดไว้ปิดจดุดอ่าปิดฝาแก้วไว้เทน้ําใส่น้ําก็ไม่เข้าอ่าทำยังไงน้อมถึงจะไม่หลับสติสติดีๆก็ไม่หลับหรอก สิ่งหนึ่งนะที่ไปหลับคือพูดคนเราจะพูดสบายสบายแล้วหลับถ้าพูดดุดุจะพูดดอดาถ้าพูดให้โกรธแล้วไม่หลับมันเป็นสิ่งที่แปลกนะจิตของเรานะี่ยทำให้ตื่นก็ได้ทำให้หลับก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมามากก็คงคิดว่า เรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องจริงถ้าใครปฏิบัติจริงก็เห็นผลคือความจริงได้ประโยชน์และความสุขได้ถ้าปฏิบัติไม่จริงก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่ได้ผลมันอาจจะไม่เท่าที่ควรถึงจะผ่านการอบรมมาเยอะแต่จิตใจไม่ได้นะไม่เท่าที่ควรมันก็เลยไม่ไมเข้า มันจะว่าหิดปิดฝาขวดไว้หรือปิดจุกขวดไว้น้าเทยังไงก็ไม่เข้าฝนออกมาก็คือไม่เท่าที่ควรฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตไม่มีใครทุกคนนะคือเราเลือกได้เลือกการกระทำในสิ่งต่างๆก็ได้การเกิดเราไม่ต้องพูดถึงละเกิดมาแล้วจะเกิดในรูปแบบไหนเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะเจ้าเวนนกรรมเรียกว่ากรรมเวน ที่เกิดมาแล้วไม่มีใครอยากเป็นอย่างนี้หรอกแต่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นแล้วเราก็ทํำยังไงเราก็ต้องยอมรับยอมรับว่าเราเป็นเพศหญิงยอมรับว่าเราเป็นเพศชายเพศชายเพศหญิงไม่ได้เกี่ยวเรื่องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็สามารถจะเข้าใจในหลักธรรมะได้เหมือนกันดันันการปฏิบัติก็คงไม่ต้องแนะนำมากเพราะคิดว่าน่าจะรู้ดีแล้วเพราะผ่านการได้ยินได้ฟังแต่เหลืออยู่อย่างเดียวว่าจะทำหรือไม่จะทำจริงหรือไม่ถ้าทำจริงก็ได้ผลจริงถ้าทำหลอกๆ ก, ก็คือได้ผลคือเช่นเดียวกันคือหลอกๆห ล, ลอกอะไรก็คือหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเราก็คือได้แค่ดอกหลอก คือไม่ได้ของจริงของจริงนั่นแหละแต่เป็นของหลอกๆของหลอกนี่แหละแต่เป็นของจริงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ประโยชน์พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายคิดว่าดีที่สุดแล้วก็มาศึกษาหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศประเทศไทยเรานี่ตั้งแต่เริ่มต้นมานะ ก็คิดว่าเป็นบบเมืองพุทธตามที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่พระป h a r m กษัตริย์องค์แรกองคสององ ค, องค์สามาจนถึงองค์ที่เก้าก็ยังเป็นพุทธศาสตร์บรรดาพุทธบริษัทผู้ประสบนิกกรก็เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธศาสตร์เยอะแต่โลกทุกอย่างมันเป็นโลกอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องเข้าใจว่าชีวิต เราอยู่นี่เวลานี้อาจจะสบายสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาในอนาคตต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเราก็ไม่รู้ถึงจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ทีนจะเกิดอะไรขึ้นก็ะช่างเถอะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของสังคมหรือของโลกพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าเป็นโลกอนิจจังโลกทุกขัง ในโลกกนตตาดินแดนของพุทธศาสนาไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเกิดที่อินเดียและขยายไปอยู่ทั่วโลกทีนี้เมื่อเกิดที่อินเดียอินเดียในพุทธศาสนามีไหมปัจจุบันนี้ไม่มีมีแต่ศาสนาวัตถุที่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนานี่คือหลักฐานมีที่มีที่มาที่ไปของพุทธศาส ก็คือที่มาที่ไปก็คือบุคคลคนหนึ่งก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายนี้แหละก็เป็นคนธรรมดาสามัญก็เกิดมาจากท้องบีดามันดาเหมือนกันแล้วก็มาศึกษาค้นคว้าในหลักแล้วศึกษาอย่างไรก็ศึกษาอย่างที่สมัยก่อนเพราะว่าเป็นศาสนาที่มีอยู่เยอะแยะมากมายในละทิของอินเดียถ้าเราไปอยู่ถ้าเราไปดูในปัจจุบันนี้ก็เยอะ ไม่รู้ลทัทธิไหนแต่ลทัทธิไหนศาสนาใดศาสนาใดเยอะแยะมากมายนี่คือเป็นสิ่งที่มาของศาสนาก็คือบุคคลคนหนึ่งที่เราเรียกว่าพุทธเจ้าในปัจจุบั น, นหรือเจ้าชายสิท ธ, ธัถะนี่แหละคือที่มาของพุทธศาสตร์ก็มาจากบุคคลคนนี้เราก็มาคน้คนคว้ามาศึกษาหาข้อมูลโดยเฉพาะเจ้าสายสิท ธ, ธัถะใช้เวลาอยู่ห6ปีเอาชีวิตเข้าแรก ถ้าไม่ตายก็คือให้ได้ถ้าได้ก็คือไม่ตายถ้าไม่ตายก็คือได้ผลสุดท้ายก็คือไม่ตายก็คือได้ได้พุทธศาสนามานี่คือที่มาของพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้สองพันกว่าปีผู้ที่มีความรู้ความฉลาดหรือมียานทัศนะต่างๆเขาไปศึกษาหาข้อมูลว่าเป็นประโยชน์มากมาย นี่คือเป็นสิ่งที่มาแล้วก็มาศึกษาข้อมูลแม้กระทั่งผ่านมาจนถึง2 5 6 0 0หรือ 2,560 ปีนี่คือเราณยุคปัจจุบันนี้เป็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปลายของภูทธศาสตร์แล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่ทราบในอนาคตขอให้ทุกคนเข้าใจยุคนี้เป็นยุคที่จเจริญที่สุดในประเทศไทย เดี๋ว่าแต่ประเทศไทยเลยประเทศต่างๆที่อยู่ในใกล้เคียงกับบ้านเราเนี่ยประเทศประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงประเทศประเทศจีนก็ดีประเทศพม่าลังกาหรือต่างๆบริเวณนี้ก็เหลืออยู่แต่มันจะเหลืออยู่แต่พิธีรีตองหรือเปล่าก็ไม่ทราบในประเทศไทยเรานี้ก็เหลือแต่พิธีรีตองถ้าตรงไหนมีการปลุกเสกมีการสละข้าดวงสตาราศีวัดนั้นอาจจะเลินรุ่งเรือง สังเกตไหมฮนะเดินว่า ส, สวทรเนะี่ยคนยิ่งเข้าไปเยอะแยะอขออะไรจะขออะไรเยอะแยะมากมายนิ้วว่าคําสนวดอะไรอ่างที่กำลังโฆษณากันอยูนะ่ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่เราไม่เข้าใจว่าไปทําเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาถึงลาบถึงยศแม้กระทั่งเก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปบนไปบานแม้กระทั่งแม่สบายทํางานทําการเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนก็ไปบน เพื่อให้ได้มาอย่างนั้นนีนนอกพุทธศาสนาไม่อยู่ในพุทธศาสนานอกประเด็นศาสนาของของพุทธเจ้าไม่ได่ทำอย่างนั้นศาสนาพุทธเจ้าให้ใช้หลักคือคนมีเหตุมีผลอยู่ในตัวกันเหตุผลของคนทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนก็มีความรู้ถ้ามีความรู้จึงมาทำงานไม่มีความรู้จะไปวนบานจาก จีวัดจีวัดจีศาสนาจีอะไรกันแล้วแต่ก็ไม่สามารถทํางานได้แต่ถ้ามีความรู้ลาดับนี้แล้วก็สามารถทํางานได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นมาก็เพราะว่าประสบการณ์ความรู้ในงานหรือการทํางานนั้นดีก็มีความรู้ความฉลาดก็สามารถที่จะขึ้นมากขึ้นมาตามลาดับนี่คือเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายใช้หลักของพุปตศาสตรศาสนาด้วยเหตุผล ที่นี้เราเมื่อเข้ามาในดินแดนนี้แล้วเราก็ได้ศึกษาข้อมูลจนถึงปัจจุบันนี้ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามากขึ้นแต่เป็นฝ่ายคันธุละหรือปัสนาธุระถ้าเป็นฝ่ายการศึกษาก็มีความรู้คมฉลาดเทียบเท่ากับสังคมโลกได้ตั้งแต่ปริญญาติโทเอกน้เป็นฝ่ายจะเรียกว่าปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติก็สาเร็จ ก็คือสามารถทําให้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ความสำเร็จได้จากครูบาอาจารย์ที่ผ่านพ้นจากการปฏิบัติดูได้ยังไงว่าสำเร็จตามหลักท่านวางไว้ว่าถ้าบุคคลสำเร็จแห่งความเป็นอริยบุคคลนะเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านตายหรือมรณะกรรมแล้วก็ไปเผาปฏิท่าก็จะกลายเป็นพระธาตุ นี่คือเป็นสัญญาณตามตำราท่านว่าไว้อย่างน้อยโสดาศกฤฤฤาาีทาคานาคามันก็น่าจะมีอยู่กับพวกท่านทั้งหลายได้ในครั้งพุทธกาลก็มีในปัจจุบันนี้ก็ไม่แตกกันโลกดวงเดียวกันพระอาทิตย์ก็ดวงเดียวพระจันทร์ก็ดวงเดียวเราถ้าเราสามารถที่จะละสกยตทิติวิกกิกิสาสิลปตปรามาตมันก็กลายเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นก็ไปได้นี่คือตามตำราท่านว่าไว้ แต่ตัวหลักจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติที่จะฝึกขัดกันอย่างไรทีนี้ฝึกขัดก็ฝูผ่านผู้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยปริยัตเราก็เรียนรู้เท่าทันกับสังคมโลกได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ย่อหย่อนนะคือสามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ด้วยประการต่างๆฉังนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านไม่เลือกว่าเป็นเพศไหนเพศหญิงหรือเพศชายไม่เกี่ยว เพศหญิงเพศชายก็ได้เพศไหนก็ได้มือนกับการเรียนเรียนรู้ประจบ ป, ปริญญาตีโทเองเพศไหนก็เรียนได้ก็มีแค่สองเพศเพศหญิงเพศชายนะฮะเราก็เรียนจบได้เหมือนกันมีความรู้เทียบเท่ากันเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายที่มา น, นั่งนะั่ตรงนี้ก็มีความรู้มีความรู้พอที่จะมาทํางานด้านนี้เรามีความรู้วิชาด้านนี้เราก็มาทํางานกันถ้าจะเอาคนธรรมดามาทํางานไม่มีความรู้เลยนะ มันจะทําได้ไหมทําไม่ได้จากนั้นในศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันใช้หลักการใช้เหตุผลความรู้ความฉลาดทั้งโลกก็เหมือนกันมีความรู้ด้านไหนก็เอาความรู้ด้านนั้นขอให้เก่งสักอย่างเถอะให้เก่งจริงๆเถอะรับรองว่าได้แต่วิทยาศาสตร์ศาสตร์ไหนก็นแล้วแต่ถ้าศาสตร์ให้มันจริงๆมันจะเห็นผลจากนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันเหมือนกับครูบาอาจารย์กับผู้การปฏิบัติตามชนบท การศึกษาน้อยความรู้น้อยแต่อาจจะมีความรู้น้อยอาจจะมีความคิดมากนะความรู้มันอาจจะเรียนตามภาษาอาจจะมีความรู้น้อยในด้านการศึกษาของโลกแต่อาจจะมีความคิดมากมายมากหลายเท่าก็ได้แต่น้นความความรู้ในตำราอาจจะไม่มีแต่ความฉลาดมากมายเหมือนกับคุณพอ่อคุณแม่ คนสมัยเก่าไม่มีความรู้มนนางคลอ่านหนังสือไม่ออกแต่มีความฉลาดฉลาดในการหาเงินหาทองหาทรัพย์หาที่อยู่หาที่อาศัยส่งลูกรินจบปริญญาตีโทเอกได้นั่นแหละคือความฉลาดดังนั้นความรู้ความฉลาดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นการประยัดและการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้ามีแต่ประยัิอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีผลอะไรแต่รู้หมดทุกอย่าง ม่อก็มีแผนที่ในมือจะพูดถึงตัวไหนรู้หมดจะพูดให้ฟังก็รู้ได้จังหวัดนั้นอยู่ตรงไหนมีกี่อำเภอมีกี่ตำบลมีกี่หมู่บ้านหรือบคุคคลหรือคนทั้งในจังหวัดนั้นมีกี่คนก็สามารถที่จะพูดได้และก็ถูกต้องด้วยแต่ไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยรู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่นคือคือเรียก ว, ว่ามีแผนที่ในมือแต่ไม่เคยทา สำหรับผู้ปฏิบัตินี้ไม่มีแผนที่ในมือแต่ลงมือทําเลยนี่คือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากว่าลงมือทําเลยมันได้ผลไหมนี่เดี๋คือเป็นสิ่งที่และท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าเช่นความวุ่นวายทางด้านกายด้านจิตความวุ่นวายทางกายเราเราก็หลบไปที่นี้ก็าวุ่นวายเราก็หลบไปมันก็หมดความวุ่นวายแต่ความวุ่นวายทางจิตนี่เราจะทําอย่างไร นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาฉะนั้นพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ให้ดูจิตดูจิตจะดูอย่างไรบางคนก็ไม่รู้ไปดูอย่างไงจิต ก, ก็คือจิต ก, ก็คือความนึกคิดคิดก็คิดไปปรุงแต่ไปชราฟ้าแต่มันจะคิดท่านมีวิธีง่ายๆสบายพุทธเจ้าสอนไว้ให้ดูลมหายใจเขา้าออกเอาจิตหรือความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเขา้า แล้วก็หายใจออกลมเข้าลมออกให้มีสติ <c oughs> ท, ที่ท่านเรียกว่าอาณาปณสติหรือประเทศไทยของเรามีครูบาอาจารย์ที่สอนกันเยอะแยะองค์หนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งองค์หนึ่งก็ภาวนาพุโทโธองค์หนึ่งก็ภาวนาสัมมาละหังรู้หน่อยพราะน้อยุบหน่อเพราะนอยก็แล้วแต่จะว่าไปอันนี้คือแ ค, คอ่คือเราว่ากันไปต า, ตามความรู้สึก มันดีไหมมันถูกไหมตัวนี้พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้พุทธเจ้าบอกให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเอาสติเรียกว่าดูลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเรียกว่าสติสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกส่วนเจะภาวนาด้วยรูปแบบไหนกระสุนแล้วแต่มันก็ดีถ้าว่าทำตามที่ท่านสั่ง แทนกำหนดลมหายใจเข้าถ้าเราหยุดที่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆไม่อยู่แล้วก็ใช้คำภาวนาไปด้วยพุทธลมเข้าให้ว่าพุทธลมออกให้ว่าโทนี่คือคือสติสติหยุดที่ลมหายใจเข้าออกท่านให้มีสติการภาวนาคือการพิจารณา เบื้งแรกก็เขามีสติก่อนเช่นท่านมีความวุ่นวายทางด้านจิตใจท่านจะมีสติควบคุมตัวเองได้อย่างไรลองดูสิเ่นปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เขาเขาเรียกว่าความเจริญความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีอะไรเจริญเหมือนกับโทรศัพท์นี่นะโทรศัพท์ถ้าเรามองเ ฟ, เฟินเฟื่อนี่มันจะเป็นประโยชน์มากๆที่เราใช้กัน แต่ทั้งนี้เท่านั้นเข้าใจว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรู้ความฉลาดหรือศาสตร์เนี่ยมีความรู้ด้านนี้ก็เก็มาทําตั้งแต่วิทยุตั้งแต่โทรทัศน์อ่าโทรทัศน์อ่าก็มาเป็นกายโทรศัพท์โทรศัพท์สายกลายเป็นโทรศัพท์ไร้สายต่อมาก็จะมีฮ้จอเล็กๆ เ, เนี่ยโทรศพัพท์เล็กๆในดูได้ทั้งวันคนที่ฉลาดเขาจะทําทออกมา ออกมาให้เราเล่นออกมาให้เราดูตอนีน้ลนคนทั้งคนทั้งโลกมีกี่ร้อยล้านคนก็จะมาเล่นโทรศัพท์กันก็เป็นตกเป็นเหยื่อจกเป็นทาสของบุคคลที่ฉลาดเรารู้ื่อเราเป็นทาสของการเล่นนั่งเคลียทั้งวันนั่งเล่นทั้งวันอายุมากแล้วอายุหกสิบเจอายุยี่สิบสแล้วยุเด็กเด็ ก, ดกตัวเล็กมันก็เล่นเป็นแล้วเราตกเป็นทาสจริงเหล่านี้รู้ตัวไม่ว่าเราเป็นทาสจริงเหล่านี้ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งสายตาเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างตกเป็นทาตมันรู้ตัวไหมว่าเราเป็นทาตสิ่งเหล่านี้นั่นคือตกเป็นทาตของคนที่ที่มีความรู้ความฉลาดทะานั้นเราจะทํำยังไงคือเราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเป็นว่าเราเป็นคนเก่งความรู้ความฉลาดจริงรู้ว่าเราเสียเงินเท่าไหร่ต่อปีต่อเดือนในหลายปีก็เป็นเงินเท่าไหร่บวกลบคูณหารเราตกเป็นทาตุมันได้ไหมหรือไม่เป็น เราเป็นธานตาุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันเราตกเป็นธาตุทางนั้นเรารู้ตัวไหมเช่นคมโกรดนี่เราตกเป็นธาตุของคมกรดมาเท่าไหร่ว่าเอาชนะถ้าเอาชนะคนนั้นได้เราเป็นคนเก่งอย่างนั้นเหรอเช่นเอาชนะสามีได้เอาชนะพัญญาได้หรือเอาชนะลูกน้องได้ชนะเจ้านายได้เป็นคนดีอย่างนั้นเหรอเราตกเป็นธาตุมันรู้ตัวเปล่าว่าเราเป็นธาตุอะไรถ้าผู้ปฏิบัตินี่นะเวลาเนี้ย ในประเทศไทยเหล่านี่นะอาตอมาไปเคยจะมาจ้าต่างประเทศต่างประเทศทางยุโรปยุโรปกําลังตื่นตัวไม่ใช่ตื่นตัวก็พอตัวเขาก็เรามีความสนใจในคําสอนของพุทธศาสนาเขาสนใจอย่างไรก็สนใจไม่ใช่เขาจะมาเรียนนธธรรมตีโทเอกหรือมหาปรเรียนไม่ใช่หรือเขาจะสนใจเรื่องอะไรเขาจะมาสนใจเรื่องธรรมอย่างที่มานั่งฝูกมานั่งเสกมานั่งดูดวงสตาราสีมานั่งสละเค้อ หรือวงสวงเทวดาหรืออ้อนวอนนี่ไม่ใช่พระหลังเขาไม่เอาอย่างนี้นะคนไทยเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นธรรมะบางคนพระห้อยคอมาลูกกี่องค์เป็นได้ร้อยองค์เป็นไหลายร้อยองค์ห้อยคอไวทำไมก็ไม่ทราบนี่คือคนไทยณปัจจุบันแต่พระหลังเขาไม่ได้เอาตรงนี้นะเขาเอาธรรมะธรรมะอยู่ตรงไหน เะขอบอกว่าพวกเราพวกท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของเป็นต้นสบับก็ว่าได้เพราะว่าพระหลังเอาไปจากประเทศไทยซะส่วนมากเอาจากคูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านหลวงปู่ชาหลวงปู่มหาบัวท่านเป็นผู้เอาธรรมะให้ลูกหลานเพราะพระหลังก็นำเอาธรรมะไปประยุกในการใช้ประโยชน์ ดังนเราจะเอาสถานกันง่ายๆคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราจะรู้ว่าความโลภมันเป็นอย่างไรความโกรธมันเป็นอย่างไรความหลงมันเป็นอย่างไรเราจะเราก็ทุกคนก็น่าจะรู้ห ล, ลักพระสมุดฐานตัวนี้เป็นสมุดฐานใหญ่ๆที่จะนํามาทุกสิ่งทุกอย่างกับพระตรงนี้ทําไมพุทธเจ้าจึงไม่เอาไม่เป็นสิ่งที่แปลกนะและ้วเศรษฐีมหาเศรษฐีในครั้งพุทธการเขาก็ไม่เอาแล้วทาไม พระเจ้าจึงไม่เอาในความ โ, โ, โลภความโกรธความหลงหรือความรวยความสวยความงามแต่พวกเราก็เห็นไหมเอาทุกวันตื่นเช้ามาต้องสองหน้าทุกวันมีกระจกไว้สองหน้าใช่ไหมฮะถ้ามีกระจกไว้สองหน้าเราจะรู้ว่าหน้าตัวเราเป็นอย่างไรปกติตาเรามองไม่เห็นตัวเองละมองเห็นแต่สิ่งคนอื่ น, คน น, ค, น, น, นคนนั้นสวยคนนั้นมาสวยคนนั้นเดินไม่สวยคนนั้นเดินไม่สวยคนนั้นทำไ่ดีคนนี้ทำไมดีรู้หมดแต่ตัวเองเรามองไม่เห็น นี่คือหน้าตาเรานะแต่พะตาเราถ้าไม่มีกระจกส่องไม่เห็นพอมีกระจกแสงเราจะต่องว่าโอ้เราไปยังไงตื่นเช้ามาเราก็ต้องส่องกระจกหน้าตาเราตรงไหนมันมี่งมันบุ๋ดตรงไหนมันดีไม่ดีแต่เติมเสริมตรงไหนก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะไปเสริมตรงไหนก็ออกะว่าที่ว่าเราจะทําอย่างไรการปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติ ที่ที่เมื่อกี้พูดมาว่าทําอย่างไรเพื่อให้การปฏิบัติได้ผลก็คือเอาสติอาตมาเองก็ไม่เมดไม่ไมไมไมแปลกอะไรกระยมก็ไปเป็นลูกของโยมนี่แหละก็มาตั้งใจมาบวชมาบวชแล้วก็มาศึกษาเพื่อให้ความรู้เกิดขึ้นศึกษามาในหมายที่ว่าศึกษาอย่างที่ทั่วไปศึกษาจากกิจตัวเองเช่นครูบาอาจารย์สอนมให้นั่งดูกิตนั่งดูกิจนั่งอย่างไร ปกติจ so ิตของเราแต่มันจะคิดคิดในสิ่งท so ี่เราคล้องนะก็จะจิจิตที่พล่องอยู่เป็นนิดมันจะคิดอยู่เสมอเราสังเกตไหมถ้ามีความรักขาดความรักออกมาหรือมีความโศกเศร้าหรือมีความเสียใจดีใจเราสังเกตไหมถ้ามีความรักถ้าคนรักหายไปมันจะมีความหมกพ่้องถ้าได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องต้องการหายไป มันจะมีความมันจะมีความบกพร่องแล้วทำยังไงก็นั่งดูนั่งดูกิจมันจะคิดแต่ถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่จะไปสับสนพอสมควรอยู่ในชีวิตเมื่อกเราทำงานก็สับสนในการทำงานโอ้ยวุ่นวายเมื่อกับพนักงานทำงานร่วมกันเนี่ยก็มีการกนักกนแหนกแหนะมีการเอาต่ออะไรกันเยอะแยะมากมาย ที่ไหนทํางานไม่มีปัญหาไม่มีหรอกทุกที่มีปัญหาหมดแล้วจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้มีปัญหาถ้าทํางานนั้นก็ต้องแก้ปัญหาและแก้ปัญหาไม่ได้คือทํางานไม่เป็นเหมือนกับนั่งสมาธิเหมือนกันทํำกิจให้สงบถ้าถ้าไม่สามารถทําเกีิจให้สงบได้ก็คือนั่งภาวนาไม่เป็นแจะทํำยังไงแตมาเองก็เหมือนกับจะโยมีแหละ มาบทใหม่ๆม่าอยู่เป็นผพา น, <อ>นี่โอ้นั่งหลับตาจริงเลยนั่งหลับตาจริงอยู่แต่มันเห็นแต่บ้านเห็นแต่หน้าแพทหน้าพ่อหน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องหน้าแฟนหน้าเพื่อนจิตเป็นไปอย่างนั้นพอหน้าปุ๊บก็บไปรับแลทําทำยังไงสติดีที่สุดดึงมาแต่คิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนก็ดึงมาให้อยู่ลมหายใจเข้า แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันไปนอย่างไรจิตมันอยุดตรงนี้ลมมันเข้าเข้าทางไหนเข้าทางจมกูกพอเข้าแล้วมันก็ผ่านลาคอลงมาถึงหัวใจมันก็ันดึงถึงเสดือพอถึงเสดือมันก็ย้อนมาหัวใจผ่านลาคอออกทางจมกูกมีแค่นี้ลมมันเข้าออกแค่นี้เราไม่ตายไม่ได้ทานข้าวแม่ดื่มน้าสักเจ็ดวันหรือห้าวัน อยู่ได้แต่ลมเราห้านาทีสิบนาทีเราอยู่ไม่ได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาดูว่าการมาดูลมหายใจเขาออกนี่แหละเรียกว่าถ้าอยู่ติดต่อกันหมายคำ ว, ว่าเราดูลมหายใจเขาออกได้ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาที30สิบนาทีติดต่อกันนะมันจะกลายเป็นสมาธิจาก 10นาที20นาที30มนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเข้ากิตก็สงบถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมดูลมหายใจเขาออกได้อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะที่เกิดขึ้นมาที่เราทาการภาวนาก็ก็จะเกิดขึ้นเบื้องแรกก็คือขอให้จิตมันอยู่กับที่ควบคุมตัวนี้ได้ไหมถ้าควบคุมตัวนี้ได้การสมาธิก็จะเกิดประโยชน์ ที่สมาธิไว้ทําอะไรนี่แหละไว้ทําตรงนี้แหละตรงที่ให้จิตมันอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเช่นโกรธมาเนี่ยไม่พอใจมาเนี่ยเกลียดมานี่หรือไม่สิ่งความรักหรือความไข้หรืออะไรก็แล้วแต่เกิดมาปุ๊บเอาสติควบคุมไว้ที่ลมหายใจเขาออกถ้าเราควบคุมไว้อยู่ที่ลมหายใจเขาออกได้เนี่ยตรงนี้แหละมันจะทําให้เกิดความสงบ พอความสงบเกิดขึ้นมาแล้วดีแล้วสามารถทําได้5นาทีสิบนาที30นาทีชั่วโมงหนึ่งทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ได้ทีนี้ก็ถอนจิตถอนจิตจากความสงบมาเข้าสู่อิปัฏสนาคือมาพิจารณาในสังขารร่างกายของตัวเองก่อนพิจารณาสังขารร่างกายตัวเองเห็นแล้วเป็นอะไรให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินะ มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเลือดมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเหล่านี้เป็นต้นครูบาอาจารย์คงพูดมาเยอะแล้วแหะเรื่องนี้แต่แเราจะต้องมาแก้ไขว่าจะทำยังไงเห็นแล้วเพื่อยังไงให้เกิดเกิดอะไรเกิดนิ้พิทาคือความเบื่อหน่ายเห็นสังขารร่างกายก้อนี้แล้วโอ้เรานะทุกคนนั่งอยู่นี้มีโรคภัยไข้เจ็บกันเท่านั้นใครบ้างที่ไม่มีโรคนั่งนานก็ปวดเข่าถ้าจะนั่งเก้าอี้นี่นั่งพื้นไม่ได้ เก็บข่าปวดเขาเพราะอะไรนี่คือโรคโรคที่มันเป็นอยู่เนี่ยจากเลือดจากลมหรือจากอะไรกันแล้วแต่มันจะไปอยู่ในตัวเราเนี่ยโรคภัยแค่เก็บมันเป็นทุกคนนี่คือปัญหาปัญหาในสังขารร่างกายก็เป็นปัญหาเยอะน่าเบื่อไหมแต่งแล้วแต่งหยีขอโทษทีถ้าเราไม่แปลงฟันทุกวันมันจะเป็นยังไง ไม่แปลงฟังสักวันเลยจะเหม็นไหมขอโทษทีเนี่นมันจะกินฟันนี่เป็นกินที่น่าโอ้อธิบายไม่ถูกตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีเล็บก็ดีเท้าก็ดีผมก็ดีฟันก็ดีถ้าเราไม่สางไม่ปรับปรุงแต่งเสริมมันจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากนีก่คือเห็นต้เห็นเห็นจนเกิดนิพิทาคือความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายก้อนนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียด เสื้อผ้าที่เราใส่สุดแพงเนี่ยเอามาใส่ไม่กี่วันมันก็หมิ่นที่หลับที่นอนหรือที่นั่งที่กินทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกจากร่างกายของเรานี้เป็นของปฏิกูลหมดนี่คือเรื่องของสังขารแต่นั้นทุกคนไม่ได้แปกกันไม่ใช่ของพิเศษเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์มีใครบ้างที่ไม่เป็นทุกข์หรือจะบอกว่า ฉันมีทุกอย่างไม่เห็นมีทุกตังไหนเลยสามีฉันก็มีพัญญาฉันก็มีลูกฉันก็มีเข้าขอเงินทองฉันก็มีรถก็มีบ้านก็มีเงินก็มีไม่เห็นเป็นทุกขตรงไหนเลยก็คุณโยมมองมองไม่เป็นเนี่ยถ้าคุณโยมมองเป็นก็จะเห็นทันทีเลยคุณโยมมีตัวคุณโยมมีตากระทุกเพราะตามีหูกระทุกเพราะหูมีมือกระทุกเพราะมือมีเท้ากระทุกเพราะเท้ามีปากกระทุกเพราะปากมีฟันกระทุกเพราะฟันหรือใครไม่ทุกปวดฟันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ตามองไม่เห็นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หูไม่ได้ยินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีเท้าเดินไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีสามีล่ะถ้าสามีขัดใจมีพัญญาปัญญาขัดใจหรือไม่สบายถ้ามีรถก็ทุกข์เพราะรถหรือไม่ทุกข์รถไปเฉียวรถไปชนรถเป็นเสียมีลูกก็มีปัญหาลูกก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่เคารพสามีก็ไม่อยู่ในกรอบพัญญาก็ไม่อยู่ในกรอบไม่มีใครมีสินรม เมื่อศีลธรรมไม่มีสามีก็มีปัญญาก็มีโลกนี้ก็โอ้โหมันวุ่นวายจริงๆเห็นไหมโยมสังเกตไหมครอบครัวไหนไม่มีศีลธรรมคุณผู้หญิงก็ไม่มีศีลคุณผู้หญิงผู้ชาก็ไม่มีศีลธรรมอยู่ด้วยกันโน้มเป็นทรมานฉันก็ไม่แค่เธอเธอก็ไม่แครฉันฉันก็มีเงินเธอก็มีเงินอยู่ด้วยกันมีความสุขไหมบ้านหลังนี้มันหาความสุขไม่ได้เลยบางครั้งหันหน้ากข้บ้านเนี่โอ้เบื่อเบื่อเบอเบือพูดได้คําเดียวว่าเบื่อ ไม่รู้เบื่ออะไรนี่แหละถ้าเรามีศีลธรรมล่ะคุณผู้หญิงปฏิบัติธรรมคุณผู้ชายปฏิบัติธรรมอย่างท่านทั้งหลายมาเนี้ยถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายปฏิบัติธรรมโอ้โลูกนี่มันน่าอยู่จริงๆบ้านหลังนี้น่าอยู่เข้ามาเทไหรไม่มีที่ไหนเย็นเท่ากับบ้านเราไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านเราถึงหลังไม่ใหญ่หลังไม่ตัวก็มีความสุขสามีเราก็เหมือนกันัญญาเราก็เหมือนกันมีศีลธรรมก็ล้คุณธรรม ไม่จะมีความสุขฉะนั้นคนไม่มีศีลทำอย่างที่ว่ามาแล้วมีรถกระทุกเพราะรถมีเมียกระทุกเพราะเมียมีลูกกระทุกเพราะลูกมีบ้านกระทุกเพราะบ้านอย่างว่ามีอะไรกระทุกเพราะสิ่งนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ใครบ้างที่ไม่ทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนี่มีเงินก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินก็เป็นทุกข์มีมากก็เป็นทุกข์มีน้อยก็เป็นทุกข์ฉะนั้นความทุกข์นี่มันหนีไม่พ้นทุกข์เราจะมีทางแก้ไหมมีมีทางแก้ทุกข์จะแก้อย่างไร ก็ตามทำที่พระพุทธเจ้าสอนตามทำที่ครูบาอาจารย์สอนรับรองว่าไม่มีทุกข์สิ่งที่เราทํำนี่ยมันเป็นกุศลมีพระฝรั่งบางคนก็ว่าโอ้ใครเห็นพระไทยศึกแล้วดิก็น่าสงสารเนี่ยเห็นไหมเขาบวชมาแล้วเห็นพระไทยเสด็จ ก, ก็น่าสงสารมันมีมันไปศึกไปทําอะไรอย่างมากก็มีเมีย การมีเมียได้มีสุขเหรอถ้ามองเพลินๆใช่ถ้ามองลึกๆล่ะโอ้ยมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาผู้ชายทุกคนที่มีขอโทษทีไม่ได้มีพันมีปัญญานั้นมีเมียนั่นนะไม่โดนเมียด่ามีไหมมองดูหน้าตาแล้วไม่พ้นเจ้าคนเพราะเหตุไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละสามีก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าอยู่ไปนานๆมันจะมีปัญหา มันก็เพื่อร่วมงานสิงตำแหน่งชิงเงินชิงหน้าที่ชิงอ้ชะพัดปัญหามีปัญหาตลอดถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตรงไหนก็มีแต่ความทุกข์ถ้าคนมีธรรมะอยู่ตรงไหนก็โอเคอยู่ได้ปรับปรุงตัวเข้ารู้จักรลดรู้จกักรละรู้จกักเลิกรู้จักรปล่อยรู้จักวางไหถ้าไปยึดคันว่า คัวมาตัวฉันนะไม่เคยยอมใครหรอกอย่างนี้โอ้โหอยู่ตรงไห น, นไม่มีความสุขโลกนี้หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นรู้จักยอมเป็นมันสบายสบายถ้าเย็นเป็นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะแบบมานั่งอย่ห้องนี้ปฏิบัติไปอยู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติทุกที่ปฏิบัติหมดเราไปทีงไหนเจอปัญหาปุ๊บเอาธรรมะมาใช้เลยไปปุ๊บขอโทษทีลดปาดหน้าหรือลดไปชนหน้าชนหลัง ปัญหาเกิดขนแล้วจะทำยังไงยึดธรรมะไว้ก่อนเห็น ไ, ไหมคนปัจจุบันเนี่ยวิ่งรถปาดหน้ากันก็ยิงกันแล้วด่ากันแล้วว่ากันแล้วชกดอยกันแล้วถ้าเราไม่มีคุณสมบัติทางด้านของพุทธศาสนาแน่นอนคนวิ่งไวกว่ารถรถช้ากว่าคนคนนี่ใจร้อนร้อนจริงๆรถก็ไวแล้วก็ยังสู้ใจเราไม่ได้ นี่คือปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นทุกได้ทุกที่ทุกกรณีทุกเวลาทุกวินาทีฉะนั้นถ้าเราจะมีก็คือมีธรรมะช่วยแก้ปัญหาปัญหาที่จะหมดนี่ก็คือตัวนี้แหคือธรรมะนี่แหละฉะนั้นฝรั่งเขามาปฏิบัติธรรมเมืองไทยเขาไม่เอาอะไรนะเขาไม่ได้เอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาที่เอาทางเอาวัดเอาวาหรือเอาอะไรไปเขาเอาธรรมะไปธรรมอยู่ตรงไหนล่ะโยม แส้งคุณโยมอยู่ตรงไหนธรรมะมีตัวนั้นถ้าเราทําขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็มีปับ๊บถ้าเราไม่ทํธาธรรมะก็ไม่มีถ้าเราถ้าเราไม่ละได้วใครจะมาละให้เราเช่นความโกรธเนี่ยถ้าเรามโมตุโกรธโกรธโกรธโกดนี่เห็นมไหมโกรธหน้าเห็นไหมนะเห็นสามีบางทีสามีพัญญากโกรธกันสองวันสามวันสิวะหน้าบึง้งหน้าบูดมีความสุขไหมถามที นี่คือรปัญหาแต่เราทำไงให้มีความสุขเราก็ต้องรคกขมรักข ม, มโลภรคกขมโกรธรัวขมหลงเรารองหาหน้าก็หากันด้วยความยิ้ ม, ย ม, ยมแมย้มแจ่มใสสิเจ้านายเจอลูกน้องลูกน้องเจอเจ้านายเพื่อนร่วม ง, งานเจอกันหน้าตายิ้ ม, ยมแมย้มแจ่มใสทุกวันให้อภัยรัวขมโลภรัวขมโกรธถ้าเราลักได้มันก็สงบมันก็มีความเย็นเห็นไหมเวลาเราเข้าทําความเข้าใจกันได้เรามีความสุขในครอบครัว เราพู้กันนุงน่งนื้อนจะมีความสุขวันไหนที่เราทําความเข้าใจกันไม่ได้เรเห็นมาโยมมันทุกข์ไหมบทในคําเดียวว่าโอ้กูอยากตายเบื่อโลกเห็นไหมนี่คือชีวิตของเราทุกๆคนเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นใครมันอย่างไรก็ช่างเถอะเหมือนกันหมดฉะนั้นเราจะเอาธรรมะของพุทธเจ้าเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมเพิ่มชีวิตไปให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ให้ทุกคนเข้าใจนะเวลาเวลา <c oughs> เราต้องทําตัวเราไม่มีใครมาทําให้เราพ่อแม่ครูบาจะปฏิบัติพรธเจ้าก็เหมือนกันเออสาวกคนนี้สารีบุตรโมคคลาเนื้อกระสบะฉันรักเธอมากเธอฉันให้ทัดเธอคนเดียวไม่ใช่ให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์รักลูกศิษย์มากก็ให้คนนี้คนเดียวไม่ได้ให้กันไม่ได้นี่คือธรรมะ ไม่ยื่นให้กันด้วยมือด้วยเท้าไม่ได้จะได้ก็คือการปฏิบัติของใครของเราถ้าใครนําเอาคําสอนของครูบาอาจารย์มาพัฒนามาปรับปรุงมาแก้ไขรับรองว่าได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาอย่างมากมายเราทำไมเองก็เหมือนกันอย่างที่ว่ามาแล้วไม่เคยรู้เรื่องของพุทธศาสนาบวชก็บวชแค่ประเพณีสมเดือนก็ศึกแต่เมื่อมาบวชแล้วปุ๊บเรามานั่งสมาธิแล้วเกิดสมาธิเกิดความสงบ จะมาลงชงมันเป็นอย่างไรก็ค the ือควบคุมลมได้ควบเอาสติควบคุมตัวเองได้คือดูกิจเอาควบคุมลมหายใจเขาออกได้เอากิจอยู่กับที่ลมหายใจเข้าออกเอากิตไปจะลมหายใจเข้าหายจะออกหายใจเข้าหายจะออกหรือว่าพุทโธพุทโธนี่เมื่อจิจมันอยู่กับที่แล้วก็เกิดสิ่งที่เราไม่รู้ในเรื่องในชีวิตคือเกิดปีติจะเกิดปีติก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆว่ามันมีมาได้อย่างไรจากการนั่งแต่มีสติถ้านั่งและมีสติมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่แหละคือคือที่มาของของของอาตมาเองนะไม่ใช่ที่มาของคนอื่นที่อาตมาบทมาเนี่ยปีนี้ห0พรรษาแล้วอายุก็เจิบกว่าปีแล้วคืออยู่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วสบายสบายกายสบายใจ ถ้าอยู่บ้านก็มีเมียหนึ่งคนก็โดนด่ามารู้กี่เที่ยวแล้วละแต่โชคดีที่มาเป็นพระไม่มีใครมาด่าเดี็กก็มีเหมือนกันนะขณะเป็นพระยังโดนด่าย่างนะโยมฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าเราจงเข้าใจว่าเราไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแก้ไขปรับปรุงถ้าเราไม่ช่วยตัวเราไม่มีใครมาช่วยหรอกคุณบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ศาสนาก็ช่วยไม่ได้เพราะหลังเขาจึงนําเอาธรรมะจากพุทธศาสตร์ ไปพัฒนาปรับปรุงเคยกินเคยเล่นเคยเที่ยวเคยสนุกเคยเฮฮาหยุดเอาเถอะพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าอายุหกสิปีขึ้นไปเมื่อไหร่หรือห้สิปีขึ้นไปเมื่อไหร่ท่านจะรู้ตัวท่านเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นสังขารร่างกายคุณนั่งก็ดีคุณนอนก็ดีคุณลุกไปมาก็ดีคุณจะปวดคุณจะเมื่อยคุณจะเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อมันจะทอดทิ้งความทุกข์ทุกอย่างมันจะละมันจะเลิกมันจะปล่อยโดยอัตโนมัติ นะฮะนั้นอยากเที่ยวอยากเล่นอยากสนกุกอยากเพลิดเฟลินได้ เ, ด เ, ดเริงคุณจะละโดยอัตโนมัตินี่คือสัจธรรมดังนั้นชีวิตของคนเราทุกคนนี่นะไม่มีใครช่วยใครได้ดังนั้นเราจงช่วยตัวเราเถอะว่าเราจะละแบบไหนเลือกแบบไหนปล่อยแบบไหนวางอย่างไรอย่าที่อย่าหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองเราจะเสียเเสียประโยชน์นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่หลอก ไม่ใช่หลอกตัวเองหรอกก็เดินไม่เราปฏิบัติรมเพื่อให้รู้แก้งเห็นจริงในสัจธรรมถ้าเรารู้แก้งเห็นจริงในหลักแล้วเราจะนำมาปฏิบัติพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมเพิ่มชีวิตตัวเองให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพเห็นไหมคนที่มีธรรมน่าเคารพเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีถึงอายุมากก็ดีอายุน้อยก็ดีน่าเคารพน่านับถือแต่คนได้มีคุณธรรมละ่ะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่ง ผู้จาไม่อยู่กับที่ทำตัวไม่เหมาะสมในหลายอย่างน่าเคารพไหมน่านับถือไหมนี่คือสัจธรรมมันจะบ่งบอกชัดเจนว่าชีวิตของคนเราเอาเวลาเหลือเท่าไหร่ไ้เวล า, ววลาต่อไปอีกเหรอเดี๋ยวอยู่ขอเวลาตอบอีกนิดหนึ่งโยมอย่าเพิ่งโกรธพระกันแล้วกัน ชีวิตของคนเราทุกคนกนี่นะเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกการกระทําได้ฉะนั้นอย่ารอก็ืออย่าดีรออย่ารอช้าเลยเพราะชีวิตของเราไม่รู้วันไหนเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อเราทําดีก็ทําดีต่อไปต่อคุณพ่อต่อคุณแม่ต่อคุณสามีต่อคุณพัญญาต่อเจ้านายต่อพนัก ง, งานต่อหน้าที่ของตัวเองทําดีต่อไปความดีนี้ภาษาบ้านเราเรียกว่าบุญบุญกุศล บุญคือความสุขกายสบายใจไปตรงไหนก็มีความสุขไปตรงไหนก็มีใครหลังเกียจไปตรงไหนก็ให้ใครมีคนต้อนรับเห็นไหมเพราะนั้นบุญกุศลจะอยู่กับเราก็คืออยู่กับเราถ้าเราไม่ทํามันจะไม่มีบุญถ้าเราไปด่าคนไปว่าคนมาตําหนิคนหรือไปอะไรคนนี้มันจะมีมันจะมีบาปเราสังเกตไหมถ้ามีบาปเกิดขึ้นมามันจะมีความร้อนร้อนมันจะมีความหมางุดหงิดเช่นเอาแค่ความโกรดนี่ก็แล้วกันโกรธขึ้นมามีความสุขไหม ทำไมเราไม่เบื่อบ้างความโกรธนี่ยตั้งแต่เราเกิดมานี่โกรธกี่ครั้งเคยเบื่อบ้างไหมพูดนิดก็ไม่ได้พูดหน่อยก็ไม่ได้ใช้อารมณ์การใช้อารมณ์มันดีเหรอทำไมไม่ใช้เหตุผลพูดกันเหมือนกับ เ, เ, เวลาเวลาโกรธมาเวลาเกลียดมาแล้วสอนลูกสอนหลานสอนสามีสอนปัญญาพ่อแม่อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เราใช้เวลาอารมณ์จัดๆนี้จะเป็นสอนใครเลยมันสอนไม่ได้รับไม่ได้หรอก เนี่ยกลังทำของเสียหายมาหรือทำผิดหรือทำอะไรเสียหายมาเนี่ยมาด่ากันมันก็เพิ่มเช่นลูกไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาแม่ก็มาดา่าพ่อก็มาดา่ามาตบมาตีอีกมันก็เพิ่มความโกรธข่คมความอะไรมากขึ้นทำไมเราไม่พูดตอนที่ใจเราสบายจิตเราสบายมีเหตุมีผลถ้าเราพูดกันตัว น, นี้มันจะดีกว่าแต่พูดกันเวลากดพูดไปรู้เรื่องหรอมันก็สาดน้ำเข้าหากันหรือสาดไฟเข้าหากัน ศาสน้าก็หาคันต่างคนต่างเปียกโยนไม้เข้าไฟก็ต่างคนก็ต่างไหมมันจะมีดีอะไรขึ้นมาล่ะหยุดเวลามีเหตุผลแล้วคุยกันดีๆใช้หลักการพุทธศาสนาใช้เหตุผลแต่นั้ทุกคนมีเหตุมีผลอยู่ในตัวใช้หลักที่มันเป็นหลักที่จะนำความทุกข์ออกจากกายจากใจของเรานี่เราจะอยู่กับคนทุกคนทีเป็นญาติเรา นึกเออคนนี้รุ่นแม่เราก็นับถือเป็นแม่เรารุ่นพี่เราก็นับถือเป็นพี่เราหรือรุ่นน้องเรากันับถือเป็นน้องเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไม่ดีเลยเราไปหาพ่อที่ไหนได้ล่ะหาแม่ที่ไหนได้หาพี่ที่ไหนได้หาน้องที่ไหนได้เป็นหาไม่ได้เรามีแค่เนี้ยท่านั้นเราจะมาปองดองสมาร์สมาคีคัมโฟดอันใดจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันพี่น้องหรือสามีภรรยาอายุหลบปูนี้แล้วจะไปทะเลาะกันทําไม ประโยชน์50ปี60ปีหรือ40ปี50ปีจะทะเลาะกันเกิดประโยชน์อะไรไมีแต่ผลเสียหายแต่ที่จะเจริญทำจเจริญให้ครอบครัวของเราจะมีความสุขความจเจริญอยู่ด้วยกันเนี่ยคำพูดคำพูดนี่แหละมันเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเป็นเหตุให้แตกแยกกันเป็นเหตุให้เสียทรัพย์เสียสมบัติเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของกระเพาะคำพูดหรือการกระทำใครละ่ะที่จะมาบอกเราได้นอกจากตัวเราเองตัวเรานี่แหละใช้สติเตือนตัวเอง คำพูดแบบนี้พูดมาแล้วกี่ครั้งทําแบบนี้ทํามาแล้วกี่หนมันมีผลดีหรือผลเสียถ้ามีผลดีเราทําต่อไปผลเสียเราหยุดหยุดได้ไหมคุณหยุดได้ไหมคําพูดแบบเนี้ถ้าคุณหยุดปุ๊บทุกสิง่งทุกอย่างมันจะโอ้มันจะดีขึ้นมาจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดนะดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าคําพูดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่แปลกมากนักปราชญ์บันดิตว่าสุภาศิตาจจยาวาจาเอตมังครมุตมังคำพูดที่เป็นสุภาษิตเออแม่บ้านพูดสุดจิตใจของเราเออมันจริงอย่างเขาว่าทุกอย่างเราควรหยุดพัฒนาตัวเองตามคำพูดของเขาหรือพ่อบ้านก็เช่นเดียวกันเราต้องเตรียมถ้าเราได้ยินแล้วใครล่ะจะมารักเราเท่าเขา ดูที่ดูผลประโยชน์หรือคุณงามความดีของเขาทํากับเรามาเท่าไหร่เขาเสียสละทุ่มเทกับเรามาเท่าไหร่ทั้งชีวิตเขาอุทิศให้เราถ้าเราทำไมาทําตัวไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าเราปรับปรุงแก้ไขระหว่างกันและการอยู่ด้วยกันคําพูดจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันอย่าพูดเรื่องอดีตผ่านมาแล้วสิปียีป่ปีอย่ามาพูดแต่พูดแล้วมันทะเลาะกันครอบครัวแตกกันพี่น้องแตกกัน หรือเจ้านายในงานวงงานแตกกันถ้าเราไม่รู้จักการรัศดรสร้างปัญหาตลอดถ้าเราเอาธรรมะมาใช้ทุกกรณีทุกสถานที่เนี่ยโอ้โยมมันเย็นจริงๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหนเป็นมงคลหมดพุทธเจ้าเสด็จไปตรงไหนที่ไหนเป็นมงคลไม่ต้องพุทธเจ้านะแค่ครูบาอาจารย์เราไปที่ไหนโอ้มันมีความอบอุ่นนี่คือธรรมะธรรมะอยู่ในดวงใจใครคนนั้นนะโยม มันจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมะความสุขหาไม่ได้โยกถึงจะมีเงินมีทองมีข้าวมีสองมีตำแหน่งอันทีการงานถ้ามีคุณธรรมไม่มีใครเขาเล่นด้วยหรอกเชื่อเถแต่นั้นมีคุณธรรมเห็นไหมยกตัวอย่างของประเทศพ่อหลวงเราเนี่ยพ่อหลวงเรานี่ท่านมีคุณธรรมท่านเสียสละชีวิตของท่านอุทิศงานเพื่อประสบนิกรหน่วยงานไหนไม่ดีพระองค์แนะนํา ประชากรตรงไหนเดือดร้อนพระองค์ช่วยเหลือไม่มีน้ําหาน้ําให้พดแล้งหาน้ําให้หรือภัยแรงน้ําท่วมพระองค์ช่วยทําทุกสิ่งทุกอย่างแนะนําวิธีประกอบอาชีพแนะนําวิธีความเป็นอยู่โอ้ชฉลปัตท่านคือบุคคลที่ทําประโยชน์ถึงท่านจะหนีจากพวกเราไปแล้วแต่คุณสมบัติมันยังอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งทุกคนนี่คือคุณธรรมคุณธรรมเต็มด้วยความเมตตา ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการทำงานนี้เราก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมทุกคนจงมุ่งไปที่งานอย่าให้งานอย่ามุ่งไปที่เงินจงมุ่งไปที่งานขอให้งานเป็นประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นเราจงพยายามมาช่วยกัน อย่าไปหลงไหลไฝ่ฝันกับจนเกินไปกับสังคมกับโลกนี่นะแต่โลกนี่โลกที่มันเต็มไปด้วยมายานะี่อย่าเพิดเพลินล่าเริงจนเกินไปเถอะพอสมควรแล้ว 20, 30, 40, 40นี่บกระเอว่าพอสมควรแล้วครึ่งคนแล้วพุทธเจ้านี้ผ่าน80ปีแต่นั้นเราก็40ปีนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วหาทางช่วยตัวเองบ้างถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยแล้วตนนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วคุณโยม ไม่เดือดร้อนจยากกินก็ได้กินอยากใช้ก็ได้ใช้อยากไปก็ไปมาสะดวกแค่นี้ก็พอกินนืโยมแต่รู้จักประหยัดในการใช้จ่ายฉะนั้นพอแล้วเรื่อเวลานี้นะเวลาในเวลาบ่ายโมงก็ขอเป็นว่าวันนี้ก็ขอยุติในการบรรยายก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมฟังพระท่านพูดทุกเดือนเดือนละครั้งก็ขอให้นําไป สากข้อใดข้อหนึ่งนะอย่าไปนําไปหมดนะพ่อยามเก็บเอาสากข้อใดข้อหนึ่งไปเตือนตัวเองพระท่านพูดท่านนําไปใช่แล้วมันเป็นประโยชน์ขอให้ใช้จริงๆเถอะความอดทนนี่ถ้าใช่จริงๆมันเป็นประโยชน์จริงๆถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็นําเป็นสิ่งที่นำไปนาไปพัฒนาปรปับปรุงแก้ไขด้วยการตั้งสัจจะด้วยการทําจริงด้วยการเนะี่ยเจริสละ อย่างาบุญทำทานมันก็มีอนิสงค์ของมันอยู่ในตัวดังนั้นบุญกุศลที่เราทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็มีโอกาสมาครั้งแรก แต่ก็คิดว่าในชีวิตของคนเราที่ไหนก็เหมือนกันขอให้ทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อ ก, กูลระหว่างตัวและคนอื่นมันเป็นประโยชน์และความสุขชีวิตของเราก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ในสังคมส่วนรวมขอให้ทุกคนตั้งใจว่าเรามาทางนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าทางนี้ทําให้บ้านเมืองครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าทางธรรมถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณสามีคุณปัญญาลูกๆทั้งหลายมีคุณธรรมโอ้บ้านนั้นมันก็อยู่บนสวรรค์ นะแต่ถ้าว่าขาดศีลธรรมมันกระโดดในนรก หลานจงพยายามเอาคุณธรรมไปปกปักรักษาคุ้มของปกป้องบ้านของเราให้มีความสุขด้วยอํานาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมามาทําบุญตอนเช้าและก็มาฟังเทศตอนเที่ยงขออานาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วจงเป็นภาวะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูนให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขในหน้าที่การ ง, งานพัถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอความพัถนานั้นจงสําเร็จประโยชน์แก่กุโยมทุกคนทุกท่านเถอด Amen. <laughs>